อยากขาดกับสามีแต่ยังคิดเกี่ยวกับเรื่องบนเตียงถามดิฉันอยากขาดกับสามีมาได้นานพอสมควรด้วยเหตุผลบางอย่างระหว่างเราไม่ได้มีความบาดหมางกันยังสามารถโทรคุยกันเหมือนเพื่อนซึ่งเราก็เคยเป็นเพื่อนกันมานานก่อนจะอยู่กินกันและดิฉันก็ทราบว่าเขาคิดแบบเพื่อนจริงๆ แต่ดิฉันเองทราบดีกับใจว่ายังรักเขามากแม้จะพยายามใช้น้ำเสียงหรือคำพูดแบบเพื่อนก็ตามนั่นทําให้รู้สึกผิดเพราะปัจจุบันเขามีลูกเมียแล้วอยากทราบว่าการที่ดิฉันมีใจรักเขาและมีจินตนาการถึงเขาเกี่ยวกับเรื่องบนเตียงอยู่ถือว่าเป็นผิดบาปอย่างไรไหมคือนานแล้วที่ไม่ได้เจอตัวเป็น แต่คุยทางโทรศัพท์ทีไรก็จะคิดถึงความสัมพันธ์เก่าๆเสมอจนนึกเกลียดตัวเองและทรมานใจที่ตัดอารมณ์ฝ่ายต่ำไม่สำเร็จตอบขอพูดตามขอบเขตของศีลห้านะครับศีลห้าเป็นรั้วกั้นบาปทางกายและทางวาจาเท่านั้นไม่ได้กั้นรวมไปถึงใจ หมายความว่าคุณจะคิดแค่ไหนจิตจะดิ้นรนกระสับกระส่ายเพียงใดขอเพียงไม่มีเพศสัมพันธ์กันจริงจริงก็นับว่ายังเป็นผู้อยู่ในกรอบอยู่ในรูของศีลได้เต็มตัวยังไม่หลุดออกมาเป็นผู้ผิดศีลแน่นอนครับว่ากันว่าวัวเคยขาม้าเคยขี่เป็นสามีพัญยากันมาก่อนนั้นเมื่ออยากขาดจากกันและไปเป็นของคนอื่น เรายังมีเยอะใยอยู่จะเกิดความต้องการทางเพศได้มากเป็นพิเศษเนื่องจากรู้ไส้รู้พุงคลุกวงในใกล้ชิดกันมามากจึงเหมือนอยู่แค่เอื้อมถึงแต่ตานนี้ของแค่เอื้อมกลายเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างร้ายแรงไปซะแล้วพอใจรู้สึกว่าเป็นของต้องห้ามและพยายามสั่งตัวเองให้ห้ามใจ ใจจะพยศขึ้นมาเหมือนม้าป่านีบ่วงบาด ท, ทันทีถ้าไม่ห้ามถ้าไม่คิดถ้าไม่รู้เรื่องรู้ราวก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าห้ามปุ๊บใจจะพยายามกระโจนบังเกิดความทยานอยากอย่างรุนแรงขึ้นมาทันใดผลของการมีใจหรืออีกไงหนึ่งคือการไม่สามารถตัดใจนั้นคุณทราบอยู่แล้วกับปัจจุบัน นั่นคือความทรมานใจและสำหรับผลในระยะยาวก็คือความมีความเกาะเกี่ยวผูกพันกับเขาแบบบาดใจบันดาลเหตุให้ต้องรู้สึกลับรล่อๆต่อไปอีกนี่คือสัจธรรมของมโนกรรมกรรมที่ทำด้วยใจยอมได้รับผลทางใจทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างแน่นอนเพียงแต่ในกรณีนี้ ไม่ได้เป็นไปเพื่อความเดือดร้อนทรมานระดับเดียวกับที่ไปผิดศีลข้อกาเมสุมิจฉาจา์เท่านั้นกรณีของคุณอาจนำมาเป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าธรรมชาติก็ไม่ได้ใจร้ายใสรกกรรมนักใช่ว่าอย่าปุ๊บต้องตัดใจให้ได้ปับ๊บธรรมชาติไม่ได้ห้ามขาด มิให้ทวินหาหรือเกิดอารมณ์วูบไหวว่วาบวามอีกเลยยังมีใจได้ยังทวินหาได้ยังเผลอใจได้แต่ขออย่างเดียวอย่าเผลอตัวก็แล้วกันบางทีผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะครับคู่ที่เลิกเลิกกันไปแล้วนะ่ะถ้าต่างฝ่ายต่างรู้ตัวว่าไม่คิดอะไรแล้วจริงๆ จะพูดคุยหรือพบปะก็คงเหมือนเพื่อนที่ไว้ใจได้แต่มีแบบนั้นสักกี่รายกันหากฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งหรือหนักกว่านั้นคือทั้งสองฝ่ายต่างก็ยังมีใจผูกพันยังมีความรู้สึกแสนหวานแสนดีค้างคาอยู่อย่างเนี้ยผมไม่สนับสนุนเลยที่จะให้พบเจอหรือแม้กระทั่งได้พูดคุยกันทางโทรศัพท์ เพราะวันดีคืนดีอาจเกิดน้ำหนักอารมณ์ชนะความยับยัง้งชั่งใจเข้าจนได้วันนี้ยังไม่ผิดอาจไม่ใช่เพราะสามารถไว้ใจตัวเองได้แต่เพราะยังไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเริ่มส่งสัญญาณต่างหากอาจฟังยากหน่อยนะครับผมตอบว่าคุณยังไม่ผิดในปัจจุบันแต่ขณะเดียวกัน ก็ยังไม่ได้ทาอนาคตให้ถูกเส้อทีเดียวนะการไว้ใจอนาคตมากเกินไปเขาเรียกประมาทถ้ากิเลสเขาเก่งน้อยวัตตะสงสารคงไม่มีข้างล่างมากกว่าข้างบนเหมือนอย่างที่เห็นตัวอย่างกันในโลกมนุษย์เช่นนี้หรอกถ้ามีเหตุสำคัญต้องพูดคุยก็คงจาเป็นต้องคุยต่อไปแต่ถ้าไม่สำคัญ และคุณรู้อยู่แล้วว่าใจตัวเองสั่งตัดไม่ได้ก็จงอย่าชะล่าอย่าหลงไว้ใจอนาคตอีกต่อไปรุ่งนี้ไม่ใช่ตัวคุณแต่เป็นใครอีกคนที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างสิ้นเชิงฉะนั้นก็คุมตัวคุณที่คุมได้ในวันนี้เถอะครับอย่าปล่อยให้สายเกินแก้เรามานั่งเสียใจภายหลังอย่างมาก ปีใหม่ส่งลูกองรถบ้วยไปให้สักกล่องเดียวก็โอเคแล้วเป็นการฝากความระลึกถึงในทางดีเพียงพอแล้ว